พราะการปรุงแต่งของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาตัอดทั้งวันก็ได้สรุปแล้วเนี่ยการที่จะต้องมีสติยิ้มได้เมื่อภัยมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นกันบ้านของทุกคนเลยมังคะครับไม่เว้นผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กนะคะแล้วถ้าฝึกไว้เส็ก ต, ตั้งแต่เนินเน่นๆน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี <c oughs> นะคะ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 เข้ากระแสของภาวะปัจจุบันคือเขาบอกว่าคิดบวกชีวิตบวกอันนี้น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับส่วนมากธรรมชาติใจของเราเนี่ยมักจะคิดลบนะคะ <c oughs> ลบไว้ก่อนตามนิทานตระกูลกลัวไว้ก่อนค่ะเ <c oughs> สียงโทรศัพท์มาก็อ้าวต้องข่าวร้าย <c oughs> ไอ้นูเนเอนดมาอ้าวต้องเป็นเรื่องร้ายนะคะเรามาลองคิดบวกเผอชีวิตจะบวกน่าจะเป็นเรื่องดี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 มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นบวกลบดีร้ายเป็นเพียงสมมุติแต่โลคความจริงก็คือมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงคําว่าเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไปทางดีเสมอไปหรือร้ายเสมอไปแต่มันเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันมันเปลี่ยนแน่จะเปลี่ยนเป็นบวกหรือเป็นลบน<อ>ั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเรามองในแง่จริงหรือมองว่าโรคเนี้ยเราไม่สามารถจะบงังคับควบคุมอะไรมันได้เลยแม้ว่ามันจะดีมันก็ดีได้ไม่ตลอดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นร้าย ไม่ว่าจะร้ายก็ร้ายไม่ตลอดหรือมันก็เปลี่ยนเป็นดีเป็นเรื่องธรรมดาของคําภีรโลกเอาแล้วสรุปแล้วจริงๆแล้วเราควรจะมองโลกในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงดีคะอา จ, จารย์ถ้าอยากให้ชีวิตเราดีมีความสุขก็มองในแง่บวกไว้นะถ้าอยากให้ชีวิตเรามีแต่ความทุกข์ก็มองในแง่ลบอ้าวแต่ถ้าอยากว่าให้ชีวิตเราเนี่ยดีหรือไม่ทุกขเนี่ยมองโลกตามความเป็นจริงแต่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยความที่ถูกต้องตามสมมุติ เป็นเพียงผู้ดูโลกและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกตามความถูกต้องเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับโลกที่มันขึ้นขึ้นลงลงคนในโลกจึงมีอาการก็เรียกคลุ่มดีคลุ้มลายพะโลกดีก็โอ้ใจดีฟูแต่พะโลกไม่ดีสิ่งเดียวไล่มากระทบใจแฟบขึ้นขึ้นลงลงลุ้มดีคลุ้มลายไม่ค่อยปกติเขาจึงบอกว่าในโลกนี้มีแต่คนบ้ า, าคนบ้าคือคลุมดีคลุ้มลายแล้วดีเดียวไล่ตามเหตุการณ์แต่คนที่มีสติมีปัญญาเนี่ย เขาจะเป็นผิงผู้มองโลกแล้วก็เขาไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอันเนี้ยจะดีจะร้ายของโลกเนี่ยไม่ทั้ใจเขาต้องขยับขยื่นคือกัเพื่อนไปได้